ต่อไปนี้ก็จะพูดธรรมะคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสอนที่ประเสริฐเลิศโลกที่มีประโยชน์มากกว่าคำสอนทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้วิชาความรู้ต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถที่จะทำในสิ่งที่ คำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถทำได้ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าจะทำให้ผู้ที่รู้นี้สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ระงับการร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจได้แต่ความรู้ทางโลกที่เรียนกันนี้แม้จะเป็นระดับปริญญาเอก ก็ยังไม่สามารถทำให้ผู้ที่ศึกษาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงคำสอนเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามอยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้เช่นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ ความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ที่เกิดจากความตายความทุกข์ที่เกิดจากการพลาดพราดจากกันความทุกข์เหล่านี้เป็นความทุกข์ที่มีพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกได้หลุดพ้นแล้วท่านได้ศึกษาได้ค้นพบวิธีที่จะทำให้ ใจของท่านไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายกับการพัาดพาดจากกันและไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆนี่คือธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ผู้ที่ได้ศึกษาและได้ปฏิบัติจะได้รับประโยชน์ ี่คือความประเสริฐโลกของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหนือกว่ความสอนของทางโลกทุกประการความรู้ทางโลกนี้ท่านพูดว่าเป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือรู้มากแต่ไม่สามารถทำให้ตนเองรอดพ้นจากความทุกข์ได้ สามารถผลิตอะไรต่างๆได้สร้างโรงงานทำสินค้าอะไรต่างๆผลิตสินค้าต่างๆมาใช้มาบริการแต่มันเป็นการระ ง, งับดับความทุกข์ทางร่างกายเป็นส่วนใหญ่ทำให้ร่างกายอยู่กันอย่างสุขสบายในสมัยนี้ก็มี พาหนะต่างๆสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกรวดเร็วไม่เหมือนสมัยก่อนที่จะต้องใช้การเดินเท้าไปหรือนั่งเกวียนไปหรือพายเรือไปก็ลำบากทางร่างกายสมัยนี้มีเครื่องจักรเครื่องยนต์มีรถยนต์มีเรือยนต์มีเครื่องบิน สามารถที่จะไปไหนมาไหนได้อย่างค่องแคล่วว่องไวสะดวกสบายไม่เหนื่อยทางร่างกายแต่มันก็เป็นความสุขทางร่างกายแต่ความสุขทางใจก็ยังมีอยู่อาจจะมีมากกว่าความสุขอาจจะมีมากกว่าสมัยก่อนก็ได้ สมัยก่อนเดินทางเขาไม่มีรถติดกันเขาไปกันแบบสบายใจเดินไปเหนื่อยก็พักนั่งเรือไปพายเรือไปนั่งเกวียนไปไปตางสบายใจไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายสมัยนี้เรากลับไปวุ่นวายกับการติดรถอยู่บนท้องถนน ไปวุ่นวายกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนทุกความทุกใจไม่ได้หายไปไหนจากการที่เราได้เอาความรู้ทางโลกมาพัฒนาในการกินอยู่อาศัยให้สุขให้สบายกันแต่ทางด้านจิตใจ กับมีความทุกข์มีความเครียดกันมากขึ้นกว่ายุคที่ไม่มีสิ่งของต่างๆเช่นนยุคโบราณรถไม่ติดไม่มีอุบัติเหตุไม่มีใครตายเพราะรถความรถชนกันอันนี้พูดเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่า ความรู้ทางโลกที่พวกเราศึกษากันแลวเรานำเอามาใช้ประโยชน์กันนั้นมันใช้ประโยชน์ทางร่างกายเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้มาใช้ประโยชน์ทางจิตใจได้เลยมันกลับมาสร้างปัญหาให้กับจิตใจมากขึ้นไปแต่ถ้าเรามีความรู้ทางโลกความรู้ทางธรรม เราได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรารู้เหตุว่าอะไรทำให้ใจของเราทุกข์อะไรเป็นเหตุที่ทำให้ใจของเราไม่ทุกข์แล้วเรานำเอามาปฏิบัติกับใจของเราได้ใจของเราจะสบายจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆนี่คือ ความสำคัญของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราต้องเข้ามาศึกษากันถ้าเราอยากจะมีความสุขใจไม่มีความทุกข์ใจต้องใช้พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้มาปฏิบัติกับใจของพวกเราถ้าเราไม่มีพระธรรมคาสอน ใจของพวกเราจะผลิตแต่ความทุกข์อยู่เรื่อยๆความทุกข์ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆความวิตกกังวลความห่วงใยอันนี้ก็เป็นความทุกข์วิตกกังวลห่วงใยกับทรัพย์สินสมบัติข้าวของเงินทองบุคคลต่างๆที่เรารักที่เราชอบ เราก็จะมักจะมีความวิตกกังวลห่วงใยกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆเพราะเราหลงเรามองไม่เห็นความจริงของสิ่งต่างๆว่าเป็นสิ่งที่เราไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เช่นสิ่งต่างๆนั้น มีมาแล้วก็ต้องมีไปเป็นธรรมดามีเกิดก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาเราไม่เห็นความจริงอันนี้กันเราเลยไม่อยากให้สิ่งที่เราได้มาจากเราไปเราไม่อยากให้สิ่งที่เกิดแล้วดับอยากจะให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปอีกเพียงอย่างเดียวไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันสิน้น แต่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นั้นเขาไม่ได้เป็นตามที่เราอยากกันเขามีเกิดแล้วเขาก็ต้องมีดับเพียงแต่ว่ามันจะช้าหรือจะเร็วออบางสิ่งก็เกิดดับอย่างรวดเร็วบางสิ่งก็ใช้เวลานานกว่าจะดับออแต่ไม่ช้าก็เร็วทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีการดับไปมีการหมดไป เราไม่เห็นความจริงอันนี้เราก็เลยทุกข์กับความจริงอันนี้เพราะใจของเราไม่อยากให้มันดับเราได้อะไรมาเรามีอะไรแล้วเราก็จะไม่อยากให้มันจากออกไปเราก็จะวิตกกังวลห่วงใ่ห่วงใ ย, ยอย่างไรวิตกอย่างไรมันก็ต้องจากเราไปหรือไม่ฉะนั้น เราก็ต้องจากเขาไปอย่างวันใดวันหนึ่งเพราะว่าร่างกายของเราที่เรารักเราห่วงนี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นของที่เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปแต่เราไม่ยอมมองความจริงอันนี้กันเราไม่คิดถึงมัน ก็เลยทำให้เราลืมไปว่าร่างกายของพวกเรานี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันแต่ใจของพวกเรากลับอยากไม่ให้มันแก่อยากไม่ให้มันเจ็บอยากไม่ให้มันตายความอยากนี่แหละที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ได้ทรงค้นพบว่าเป็นต้นเหตุของความไม่สบายใจของความทุกข์ใจ ของพวกเราที่พวกเราทุ ก, กันนี้ไม่ใช่เพราะความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ทุกเพราะการพราดลาดจากกันแต่ทุกเพราะความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พาดพลาดจากกันอันนี้ต่างหากที่ทำให้พวกเราทุ ก, กันคนที่รู้ความจริงว่า ร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันก็จะไม่มีความอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ให้พัดพากจากกันพอไม่มีความอยากความทุกข์ใจก็จะไม่มีเช่นสิ่งของต่างๆหรือบุคคลต่างๆที่เราไม่มีความอยากด้วย เขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายนี้เราไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรคนที่เราไม่รู้จักเวลาเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราเฉยๆเพราะเราไม่ได้มีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่คนที่เรารู้จักแลอสิ่งที่เรารู้จักที่เราอยากให้อยู่กับเราไม่อยากให้เขาจากไปเวลาเขาจากเราไป เราก็จะทุกข์ใจดังนั้นเหตุที่ของความทุกข์ใจนี้อยู่ที่ใจเราเองอยู่ที่ความอยากของพวกเราเองอยู่ที่ความหลงคือความลืมหลงลืมลืมไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีการดับมีเกิดแล้วก็ต้องมีการดับร่างกายของเราร่างกายของคนทุกคน เกิดแล้วก็ต้องมีการตายเป็นธรรมดาก่อนจะตายก็มีการแก่มีการเจ็บแต่บางครั้งก็ไม่มีการแก่การเจ็บเลยก็ได้เช่นเด็กบางทีเกิดมาได้ไม่กี่วันก็ตายได้อันนี้เราหลงลืมกันเราดืมไปว่าร่างกายเป็นอย่างนี้เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็เลย อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วก็เลยสร้างความทุกข์ใจให้กับเราเองโดยโดยไม่ได้ไปเปลีป่ยนแปลงอะไรทุกมันก็ยังทําให้ร่างกายแก่เจ็บตายอยู่ดีคนฉลาดเขาคอยเตือนใจเขาอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ว่าเราต้องพัดพากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปถ้ามีอะไรคอยเตือนใจมันก็จะทำให้ไม่หลงไม่ลืมได้แล้วมันก็จะดั ง, งับความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ชาวพุทธดาวน้มน คิดอยู่เรื่อยๆเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาลวงพ <Eli> re ้นความแก่ไปไม่ได้เราเกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาลวงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เราเกิดมาแล้วย่อมมีความตายไปเป็นธรรมดาลวงพ้นความตายไปไม่ได้ เราเกิดมาแล้วเราต้องพัดพลาดจากของต่างๆไป่วงพ้นไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้เราหมั่นเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆวันละหลาย ๆ, ๆ, ๆวเวล า, ววลาด้วยกันเพราะเวลาใดที่เราไม่ได้คิดถึงเรื่องราวเหล่านี้เราจะลืมแล้วเราจะก็จะเกิดความอยากขึ้นมา เราก็จะทำให้เราเกิดความวิตกกังวลห่วงใยไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจกันเวลาที่เราต้องเจอความแก่เจอความเจ็บและเจอความตายกันนี่คือเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะช่วยทำให้ใจของเรานั้นไม่ต้องทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆ นอกจากร่างกายของเราแล้วก็สิ่งที่เรามีอยู่หรือสิ่งที่เราแสวงหากันสิ่งที่พวกเราแสวงหากันคืออะไรก็คือลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกวิ้นกายของพวกนี้ก็มีเจริญก็มีเสื่อมไปเป็นธรรมด า, จาเจริญลาบก็เสื่อมลาเจริ ญ, ญยศก็เสื่อมยศ เจริญสัมรสน์ก็เสริมสัมรสริญได้เจริญสุขก็เสริมในความสุขได้เกิดจากสุขก็มาทุกข์ได้จากสัมรสริญก็มานินทาได้จากการเป็นใหญ่เป็นโตมีตําแหน่งสูงสงก็หลุดพ้นจากตําแหน่งต่างๆได้จากการร่ํารวยก็กลับมาเป็นคนยากจนได้เพราะว่า สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมดาของโลกมีขึ้นก็ต้องมีลงจะลงแบบไหนลงตอนเป็นหรือลงตอนตายมันก็ลงเหมือนกันเช่นเวลาเราตายไปทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่มากน้อยเพียงไรก็เป็นของคนอื่นไปตำแหน่งที่เรามีอยู่ก็เป็นของคนอื่นไป ขณะที่เราอยู่บางทีมีคนสรรเสริญแต่บางทีก็มีคนนินทาได้ความสุขที่เราได้จากทางตางหูจมูกลิ้นกายบางทีมันก็หมดไปได้เช่นเวลามีแฟนก็มีความสุขเวลาเลิกกับแฟนก็กลายเป็นความทุกข์ไปนี่คือสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่พวกเราทุกข์กัน เพราะเรามองไม่เห็นความจริงของสิ่งต่างๆเราไม่ว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีเกิดมีดับได้มีเจริญมีเสือ่อมมันเปลี่ยนได้ของของใหม่กลายเป็นของเก่าพอของเก่าก็กลายเป็นของไม่ดีไปเช่นรถลาซื้อมาใหม่ๆ ม, มันก็ดีวิ่งได้สะดวกสบาย ต่อใช้ไปเรื่อยๆมันก็เริ่มชำรุดสุดโทมต้องมีการซ่องมีการดูแลรักษาหรือบางทีไปประสบอุบัติเหตุชนกันพังไปหรือถูกเขาขโมยไปอันนี้ก็เป็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสมบัติต่างๆที่เรามีกัน ที่เราต้องมีสมบัติก็เพราะว่าเราจะได้มีความสุขจากสมบัติเหล่านี้นั่นเองแต่มันเป็นความความสุขปลองเพราะมันมีความทุกข์แถมมาให้ด้วยได้อะไรมาแล้วก็จะต้องทุกข์ต้องกังวลกับสิ่งที่เราได้มาอย่างน้อยก็ต้องคอยดูแลรักษาและเวลามัน เสียไปมันจากเราไปมันก็ทำให้เราทุกข์นี่คือวิธีการหาความสุขของพวกเราหาความสุขที่มันมีความทุกข์ซ่อนมาด้วยติดมาด้วยแต่เรามองไม่เห็นกันเวลาเราหาสิ่งเหล่านี้เราจะคิดว่าเป็นความสุขเพียงอย่างเดียวถ้าเรารู้ว่ามันมีความทุกข์ตามมา เราก็จะไม่หากันแต่เรามองไม่เห็นความทุกข์ความทุกข์ในเงินทองเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์กันเราเห็นว่ามันเป็นสุขเพราะเวลาได้เงินทองมาเราจะดีใจเราอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้อยากจะไปไหนมาไหนอยากจะไปเที่ยวไปทำอะไรเราก็ทำได้มีความสุขกันแต่เราไม่คิดถึงเวลาเงินทองมันหมด เงินทองมันหมดแต่ความอยากไปเที่ยวยางความอยากจะซื้อสิ่งต่างๆมันไม่ได้หมดไปกับเงินทองเวลานั้นมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้ต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองมาและอาจจะห า, หาในทางที่ไม่ถูกก็ได้เพราะความอยากได้เงินทองมันมีความรุนแรงมาก ก็อาจจะทำให้กทําทำผิดกฎหมายกทําทำบาปแล้วการทำผิดกฎหมายก็จะทำให้เกิดโทษตามมาทําบาปก็เกิดโทษตามมาบาปผลของบาปนี้เราอาจจะมองไม่เห็นกันผลของบาปนี้เกิดจะเกิดเวลาที่เราตายไปแล้วเวลาตายไปแล้วนี้เราไม่รู้กันว่าเรายังต้องไปต่อกัน เราคิดว่าเราเป็นร่างกายเราคิดว่าพอร่างกายตายไปแล้วชีวิตของเราก็หมดแต่ความจริงชีวิตของเราไม่ได้หมดที่การตายของร่างกายเพราะชีวิตของเราอยู่ที่จิตใจอยู่ที่ใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ใจนี้มันไม่มีรูปร่างไม่มีหน้าตาให้เราเห็นกันเราเลยไม่รู้ว่า เรามีจิตใจที่ไม่ตายไปกับร่างกายจิตใจนี่แหละที่จะไปรับผลบาปต่อไปที่จะไปเกิดใหม่ไปเกิดเป็นอะไรสูงสูงต่ำๆ่ำำนี้ก็อยู่ที่บุญหรือบาปที่ทำกันถ้าทำบาปก็จะไปเกิดในอบายอบายก็มีอยู่สี่ประเภทเช่นไปเกิดเป็นเดรัจฉาน สัตว์ที่เขามาเกิดเป็นสัตว์ต่างๆนี่ในอดีตเขาก็เคยเป็นมนุษย์เหมือนเรามาก่อนแต่เขาไปทำบาปเช่นเขาขาดเงินทองแล้วเขาต้องหาเงินทองแต่เขาใจร้อนอยากจะหาเร็วๆหาแบบง่ายๆหรือเขาไม่มีความสามารถที่จะหาโดยวิธีที่ไม่ต้องทำบาปได้เขาก็ไปทำบา ตายไปเขาก็เลยมาเกิดเป็นเดรัจฉานผีบ้างอันนี้คือที่ไปของพวกเราถ้าเราไปทำบาป ก, กันเหล่านี้ไม่ใช่เป็นร่างกายเหล่านี้เป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ที่กำลังฟังทำอยู่นี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงเหมือนกับเป็นเครื่องรับเสียง เครื่องอัดเสียงเหมือนเครื่องถ่ายทอดเสียงเช่นไมโครโฟนไมโครโฟนนี่มันเพียงแต่รับเสียงเข้าไปในเครื่องขยายแล้วมันก็ขยายเสียงออกมาอีกทีร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนไมโครโฟน<ม>คือหูสองข้างที่เรามีอยู่นี่เป็นเหมือนเครื่องรับเสียงเสียงที่กำลังแสดงอยู่นี้แล้วพอมันเข้าไปในหูแล้วมันก็ส่งต่อไปที่ใจ ไอ้ที่ผู้รู้ผู้คิดนี่ผู้ที่กําลังฟังอยู่นี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายมันไม่มีความรับรู้มันคิดไม่เป็นมันรู้ไม่เป็นมันเหมือนไมโครโฟนไมโครโฟนมันไม่รู้ว่ามันกําลังรับเสียงและกําลังส่งไปที่เครื่องขยายเพื่อขยายเสียงออกมามันมีเพียงแต่หน้าที่รับเสียงแล้วส่งไปให้ที่ใจ ใจเป็นผู้รับเสียงเข้ามาแล้วก็มาคิดพิจารณาตามเสียงที่ได้ยินตามความหมายที่ได้ศึกษามาคือภาษาเราพูดภาษาเดียวกันพอเสียงที่เป็นราษาที่เราได้เรียนรู้มาเข้ามาใหเรารับรู้เราก็เข้าใจความหมายว่ากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ถ้าเราไม่เข้า ถ้าเราไม่เข้าใจภาษาของเสียงที่กำลังแสดงอยู่เราก็จะไม่รู้เรื่องว่ากำลังพูดอะไรกันนี่คือใจนี่แหละคือผู้ที่ทำบุญหรือทำบาปผู้ที่สั่งให้ร่างกายพูดต่างพูดอะไรทาอะไรนี้คือใจร่างกายนี้เป็นเพียงผู้รับใช้ใจผู้เป็นผู้ ให้คำสั่งแล้วถึงมีคําพูดไว้ว่าใจเป็นนายกายเป็นบา่าวใจเป็นคนสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆแต่ผู้ที่รับผลของการกระทําต่างๆนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่ใจถ้าใจสั่งให้ร่างกายไปทําบุญใจก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมา อย่างวันนี้ท่านทั้งหลายมาทําบุญกันมาเสียสละแบ่งปันทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเพื่อให้ไปทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นใจของเราก็เกิดความสุขขึ้นมาแล้วถ้าเราสะสมบุญไปเรื่อยเวลาที่เราตายไปถ้าบุญที่เราทํานี้มีมากกว่าบาปที่เราทําบุญก็จะเป็นตัวหนึ่งใจให้เราไป เกิดในสวรรค์กันไปเป็นเทวดากันแต่ก็เป็นได้ไม่นานเป็นเหมือนกับเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็นเทวดาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมลงมาพอบุญหมดการเป็นเทวดาก็จะหมดก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม ถ้าบาปมีมากกว่าบุญเวลาตายไปบาปก็จะดึงใจให้ไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นผีบ้างไปตกนรกบ้างแล้วก็อยู่ที่นั่นจนกว่าบาปที่ทำไว้มันหมดกาลังที่จะดึงเอาไว้ให้อยู่ในอบายก็ใจก็จะกลับมาได้ร่างของมนุษย์ใหม่ ใช้ร่างกายอย่างที่พวกเราได้กันอยู่ในขณะนี้แล้วเราก็มาใช้ร่างกายทาบุญทำบาปกันใหม่จะทำบุญหรือทำบาสนี้ก็อยู่ที่ใจของเราว่าเราชอบทำอะไรถ้าในอดีตนิสัยเราชอบทำบุญมาเราก็จะทำบุญถ้าเราชอบทาบาปเราก็จะชอบเราก็จะทำบาปกัน แล้วก็อยู่ที่คนที่เรามาอยู่ด้วยเวลาเราเกิดเราต้องเกิดในครอบครัวครอบครัวก็จะสอนเราพ่อแม่ก็จะสอนเราแล้วแต่พ่อแม่เขาชอบอะไรเขาก็จะสอนตามที่เขาชอบถ้าพ่อแม่ชอบทําบาปเขาก็จะสอนให้เราทําบาปถ้าพ่อแม่ชอบทําบุญเขาก็จะสอนให้เราทําบุญแล้วก็มันก็จะ เป็นส่วนที่จะทำให้เราทำบุญหรือทำบาป ก, กันแต่มันก็ไม่ได้เป็นปัจจัยอันนี้อันเดียวปัจจัยที่ติดมากับเราคือนิสัยเดิมของเรามันก็มีอยู่นิสัยที่ชอบทำบุญหรือชอบทาบาปมันก็ติดมาด้วยที่มันก็ขึ้นอยู่ว่านิสัยของเรามีกำลังมากกว่าคําสอนของพ่อแม่เราหรือเปล่า นิสัยของเรามีมากกว่าคําสอนเราก็ยังจะทําตามนิสัยของเราเช่นพ่อแม่บอกสอนให้เราทําบาปแต่นิสัยเราชอบทําบุญเราก็จะไปทําบุญเราจะไม่ไปทําบาปตามที่พ่อแม่สอนเหมือนพระพุทธเจ้านี่มีนิสัยที่จะทําบุญที่จะรักษาศีลที่จะออกบวชแต่พ่อแม่ไม่อยากให้บวชพ่อไม่อยากให้บวช แต่ก็ห้ามไม่ได้เพราะนิสัยเดิมของพระพุทธเจ้านี้ชอบบวชก็เลยออกบวชอันนี้อยู่ที่กำลังของนิสัยเดิมที่เราสะสมมาว่ามีมากกว่าสิ่งที่เขาคนอื่นจะมาบอกมาสอนเราหรือไม่อย่างพวกเราชาตินี้มาเกิดแล้วเราได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็จะสอนให้เราทำบุญทาทาน สอนให้เรารักษาศีลสองให้เราภาวนาเพื่อที่เราจะได้หุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆหุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่นิสัยของเรานี้จะมาทางนี้หรือไม่มันก็อยู่ที่ว่ามันมีกําลังมากน้อยถ้าเรามิ่นิสัยเดิมชอบทำบุญชอบรักษาศีลชอบภาวนาอยู่แล้วเราก็จะมาทางนี้ได้อย่างง่ายดาย เพราะเราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับเราแต่ถ้าเราไม่มีนิสัยมาทางนี้เรามีนิสัยไปในทางเสพอบายมุขเช่นไปทางดื่มสุรายาเมา mm hmm. เล่นการพนัน mm hmm. เที่ยวเล่นกันคบคนไม่ดีเป็นมิมีความเกลียดชัง mm hmm. ชอบทำบาป mm hmm. ชอบยิงนกตกปลารักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณี mm hmm. ถ้าเรามีนิสัยอย่างนี้แล้วมันมีความมีน้ำหนักมากกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่มาทางนี้แต่ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนแล้วเราเห็นว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบมาทางนี้แต่ทางนี้ที่พทธเจ้าทรงสอนนี้มีประโยชน์กับเราจริงๆส่วนการกระทาของเรามันเป็นโทษกับเรา ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะเปลี่ยนทิสัยเราได้เช่นเราติดสุรายามเมาเราก็บอกว่าต่อไปนี้เลิกดื่มดีกว่าดื่ ม, มแล้วมันมีแต่โทษไม่มีประโยชน์เลยมีโทษหลายประการเช่นเสียเงินเสียทองต้องซื้อเงินเอาเงินไปซื้อสุรามาดื่มก็สองมันไม่ไหวตอนเช้าตื่นขึ้นมาถ้าถ้าไม่ไปทำงานบ่อยๆก็จะตกงานได้ แล้วก็เสียสุขภาพร่างกายดื่มสุรามากมากมา ก, ก็จะทำให้อายุสั้นก็จะทำให้ตับไตต่างๆนั้นมันชำรุดทรุดโทรมได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เสียสติเสียสภาพจิตคนดื่มสุรายาเมาจะไม่สามารถประครับประคองการกระทำที่ดีงามได้คนดื่มสุราแล้วมักจะไปพูดจา ไม่ดีไปทะเลาะวิวาทไปทุบไ ป, ปตีไปทำร้ายข้าวของหรือไปฆ่าผู้อื่นได้ไปประพฤติผิดประเวณีได้เพราะไม่มีสติยับยัง้งเวลาดื่มสุราแล้วขาดสติถ้าขับรถยนต์ก็ไปประสบกับอุบัติเหตุไปชนผู้อื่นทำให้ทำร้ายชีวิตของผู้อื่นได้ ถ้าเร า, าคิดด้วยเหตุด้วยผลตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็อาจจะเลิกดื่มสุราได้ถึงแม้ว่าเราเคยติดนิสสายนี้มาแต่เมื่อเรามองถึงอนาคตของเราแล้วเราไม่อยากจะให้มันเป็นอย่างอย่างที่จะเกิดถ้าเราดื่มสุราเราก็เลิกดื่มสุราแล้วอนาคตที่ไม่ดีที่เกิดจากการดื่มสุรามันก็จะหายไป อันนี้ก็เป็นอ น, นิสงของการที่ได้มาฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปพิจิพิจารณาไปเปรียบเทียบดูว่าสิ่งที่พรธเจ้าสอนกับสิ่งที่เราทำอยู่นี่อันไหนมันจะดีกว่ากันถ้าเราคิดเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่พรธเจ้าสอนนี่มันดีกว่าสิ่งที่เราทำอยู่อย่างแน่นอนมันก็จะทำให้เรานี้เปลี่ยนนิสัยเราได้ เลิกนิสัยที่ไม่ดีได้นี่ก็คือประโยชน์ของการที่เรามาวัดกันเรามาวัดแล้วเราจะได้ยินได้ฟังเรื่องของการกระทำที่ดีและไม่ดีแล้วเราจะได้มีอะไรมาเปรียบเทียบกันถ้าเราไม่มีอะไรเปรียบเทียบเราจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำนี้ดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเรามีสิ่งที่มาเปรียบเทียบให้เราเห็นเราก็จะรู้ว่าสิ่งไหนดีกว่ากัน เช่นเราถ้าเรามีรถยนต์คันหนึ่งแล้วเราไม่มีรถคันอื่นมาเปรียบเทียบเราก็ไม่รู้ว่ารถเราดีหรือไม่ดีแต่ถ้ามีรถคันอื่นมาให้มาเปรียบเทียบกันถ้ารถเขาดีกว่าเราเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อรถของเรานี่สู้เขาไม่ได้หรือถ้ารถเขาไม่ดีกว่าเราเราก็จะได้รู้ว่ารถของเราดีกว่าอันนี้ก็เหมือนกันการกระทําของเรานี้เราไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีจนกว่าเราจะได้มาฟัง คำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนวิธีที่จะทําให้เราดีจริงๆว่าเป็นอย่างไรแล้วเราก็มาเปรียบเทียบดูว่าถ้าเราทําตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนกับทําตามที่เรากำลังทําอยู่ตอนนี้อันไหนจะดีกว่ากันเราก็จะเห็นว่าการทําตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนี้ต้องดีกว่าแน่นอนเมื่อเราอยากจะได้ดีเราก็เปลี่ยนนิสัยเราเปลี่ยนการกระทาของเรา ถ้าเราเคยเสพอบายามุขพระพุทธเจ้าบอกว่าเลิกเสพเถิดเสียเงินเสียเวลาไปเปล่าแล้วจะนําพาเราไปสู่การกระทําที่ไม่ดีต่อไปเพราะอบายามุขนี้มีแต่จะดูดทรัพย์ของเราไปเงินทองจะหมดด้วยอบายามุขแล้วจะไม่มีเวลาไปทํางานหาเงินหาทองที่สุดจริตได้พอต้องการเงินทองก็อาจจะไปหาโดยวิธีทุจริตไปทําบาป ต่อไปแล้วก็จะเกิดโทษทั้งปัจจุบันและอนาคตโทษปัจจุบันทําผิดกฎหมายก็ติดคุกติดตารางตายไปก็ไปเกิดนอบายแต่ถ้าเรามาทาที่พระเจ้าทรงสั่งสอนแทนที่จะเอาเงินไปซื้อเหล้าเราเอาเงินมาทาบุญแทนทำบุญก็จะทาให้ใจเรามีความสุข ที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการดื่มเหล้าเพราะเป็นความสุขที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีโทษตามมาไม่มีโทษต่อร่างกายไม่มีโทษต่อจิตใจทำแล้วใจเราจะมีความสุขมีความอิ่มมีความสบายใจแล้วก็เป็นการฝากเงินทองไว้ในธนาคารเวลาชาติหน้าเรากลับมาเกิดใหม่เราจะมีเงินทองรอรับเราอยู่ เงินที่เราทำบุญทุกบาททุกสตางค์นี้เราไม่สูญแล้ว เ, เอาติดไปกับเราได้เวลาเรากลับมาเกิดใหม่เราจะมาเกิดล่ำรวยกับเก่าที่เราเป็นอยู่เพราะอำนาจของบุญที่เราทำกันนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับแต่เราไม่รู้กันเพราะเราไม่รู้ว่าเราเป็นใจเราเป็นผู้ที่ไม่ตายไปกับร่างกายเป็นผู้ที่จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไป หลังจากที่ไปรับผลบุญผลบาปแล้วถ้าเป็นผลบุญก็ไปเกิดเป็นเทวดาไปท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์ก็เหมือนกับไปเที่ยวเมืองนอกแต่ดีกว่าที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไปไม่ต้องขึ้นเครื่องบินไปไม่ต้องซื้ อ, อ, อพาสปอร์ตไม่ต้องทำพาสปอร์ตทำวีซ่าไม่ต้องซื้อตั๋วละบินเวลาร่างกายนี้หยุดหายใจใจก็ไปเลย ไปท่องเที่ยวในโลกสวรรค์จนกว่าบุญจะบวชกำลังก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอกลับมาเกิดก็จะกลับมารวยกว่าเก่าเพราะเงินบุญที่เราทำนี่มันรอเราอยู่บุญที่เราทำทุกบาททุกสตางค์นี้มันไม่หายไปไหนและมันเพิ่มมากขึ้นด้วยมันมีดอกทบต้นให้ด้วยกลับมาเกิดแล้วทำบุญสิบบาทอาจจะกลับมารับ นับร้อยบาทนะนี่คืออ น, นิสง์ของการทําบุญที่พระเจ้าทรงสอนพระพุทธเจ้าเองก็เคยทํามาในสมัยเป็นพระเวชสันดรท่านก็ทําบุญอย่างมากมายมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอะไรต่างๆใครเดือดร้อนใครต้องการความช่วยเหลือท่านก็สละให้หมดเลยท่านไม่ต้องการเงินทองท่านต้องการที่จะไปปฏิบัติเพื่อทําใจให้สงบ เพราะความสงบของใจนี่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากเงินทองร้อยล้านพันล้านท่านเลยไม่เสียดายเงินทองพอพระเวชสารดอนตายไปก็ไปเกิดไปอยู่บนสวรรค์พอลงจากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมาเป็นลูกของกษัตริย์มีสมบัติมีอะไรต่างๆมีประสาทสามฤ ด, ดู นี่คืออนิสง์ของการทําบุญและการรักษาสี่งทาบุญแล้วก็ต้องไม่ทํำบาลด้วยถึงจะไปสวรรค์ได้ถ้าทําบุญอย่างเดียวแต่ยังทําบาปอยู่ <S <S ก็ยังต้องไปเกิดอบาย <S <S ต้องไปเป็นเลระชาน <S <S ไปเป็นอะไรก่อนแล้วรอจนกว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถึงจะได้มารับ เ, เงินทองที่เราได้ทําไว้มาใช้เงินทองที่เราได้ทําไว้ หรือถ้าไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็ไปเกิดเป็นสัตว์ที่น่ารักเ mm hmm. ช่นหมาน่ารักแมวน่ารักคนเขาก็จะเอาไปเลี้ยงอยู่อย่างดีนี่ก็เป็นอันนี้สองจากการได้ทําบุญแต่ไม่ได้รักษาสี่ง mm hmm. ทำบุญแต่ทําบาปทําบุญด้วยทําบาปด้วยตายไปก็ไปเกิดเป็นหมาที่น่ารักแมวที่น่ารัก คนก็เอาไปเลี้ยงเหมือนลูกนี่ก็เป็นพวกที่ทําบุญแต่ไม่รักษาศีลด้แต่ถ้าทําบุญแล้วรักษาศีลด้วยไม่ทําบาปตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวที่น่ารักจะไปเป็นเทวดาแทนแล้วพอลงมาจากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ที่น่ารักรูปร่างหน้าตาสวยงามมีข้าวของเงินทองรออยู่ มันเกิดเป็นลูกเสียงของบุญที่เราทำกับศีลที่เรารักษานี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนให้พวกเราทำมีอยู่สามข้อด้วยกันให้ทำบุญทาทานให้เรารักษาศีลคือศีลหถ้าเราทำสองอย่างนี้ได้ตายไปเราไม่ต้องไปเกิดในอบายเราจะไปท่องเที่ยวในสวรรค์ ถ้าเราจะจะรู้ว่าท่องเที่ยวในสวรรค์เป็นยังไงก็ขอให้เราคิดถึงตอนที่เรานอนหลับแล้วเราฝันดีนะตอนที่เรานอนหลับนะตอนนั้นร่างกายมันนอนอยู่เฉยๆแต่ใจเรานี่ไปสวรรค์ล้วไปสวรรค์เพราะอำนาจของบุญที่เราทำไว้ถึงทำให้เราฝันดีกันแต่ถ้าเราทำบาปนี้เวลานอนหลับเราจะฝันร้ายกันนั่นแหละมันบอกว่าเรากำลังไปนรกกันเพียงแต่ว่ามันเป็นสวรรค์ชั่วคราวเป็นนรกชั่วคราว เพราะว่าเรายังต้องตื่นพอร่างกายตื่นมันก็จะกลับเข้ามาในร่างใหม่ถึงเป็นเหมือนกับการดูหนังตัวอย่างของผลบุญผลบาปที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเรานอนหลับฝันดีเป็นส่วนใหญ่ก็แสดงว่าเราทำบุญมากกว่าทำบาปถ้าเราฝันร้ายมากกว่าฝันดีก็แสดงว่าเราทำบาปมากกว่าเราทำบุญนี่คือผลที่จะเกิดจากการทาบุญทาบาปเนี่ย พระพุทธเจ้าถึงสอนให้เราทำบุญอย่าทำบาปสองข้อแล้วถ้าเราอยากจะไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายท่านก็บอกว่าเราต้องปฏิบัติข้อที่สคือการภาวนาหรือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็มีอยู่สองขั้นขั้นที่1เรียกว่าสมาธิขั้นที่2เรียกว่าปัญญาถ้าเราปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบให้นิ่งเป็นสมาธิได้ เราก็จะมีความสุขภายในตัวเราทําให้เราไม่ต้องมาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้คนที่มีความสุขใจคนที่มีความสงบไม่ต้องใช้ร่างกายพาไปดูหนังฟังเพลงพาไปนอนกับคนนั่นคนนี้เพราะความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบนี่มันดีกว่ามันเหนือกว่าความสุขที่ได้จากการไปดูไปฟังไปกินไปดื่ม คนที่นั่งสมาธิได้จึงมักจะไปอยู่วัดกันไม่ไปเที่ยวตามสั่งันท่องเที่ยวต่างๆกันเพราะวัดเป็นที่สงบที่จะทำให้ใจสงบมีความสุขมีสมาธิเพียงแต่ว่ามันยังเป็นความสุขชั่วคราวพอเวลาออกจากสมาธิมาพอใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาได้วิธีที่จะ ทำให้ใจไม่วุ่นวายใจหลังจากออกจากสมาธิแล้วก็ต้องเจริญปัญญาปัญญาก็คือความจริงของสิ่งต่างๆว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นของเราให้เราอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปอยากได้มันอย่าไปอยากได้ลาบยศสรเสริญอย่าไปอยากได้รูปเสียงกลิ่นลดเพราะว่ามันไม่เที่ยงเวลาได้มาแล้วมันจะต้องมีวันเสือ่อมมีวันจากกัน เวลาเสื่อมเวลาจากกันมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราเวลาตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เอาลาบจดสรรเสริญสุขไปไม่ได้ถ้าเรามีปัญญาใจเราก็จะไม่วุ่นวายกับความอยากต่างๆเพราะเราจะไม่อยากได้อะไรแม้แต่ร่างกายนี้เราก็จะไม่อยากได้เพราะร่างกายนี้มันก็เหมือนกันเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ถ้ามีปัญญาต่อไปก็จะไม่มีร่างกายมีไปทำไมมีเล่าทุกข์มีไปทาไมเกิดแล้วต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาเกิดทำไมนี่คือปัญญาที่จะทำให้ใจไม่มีความวุ่นวายมีแต่ความสงบไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขก็จะไปอยู่ที่พระนิพพานกับพระพุทธเจ้าพระอราหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้ายังอยู่ตอนนี้พระอราหันต์ยังอยู่ กา อ, อยู่แบบไม่มีร่างกายไม่เหมือนพวกเราอยู่แบบมีร่างกายการอยู่แบบมีร่างกายก็คืออยู่แบบอยู่ด้วยความทุกข์นั่นเองเพราะร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคนที่ไม่มีร่างกายนี้ก็ไม่ทุกข์ท่านถึงพูดว่าทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตามใดยังมีการเกิดอยู่ตามนั้นก็ยังมีความทุกข์อยู่และการเกิดก็เกิดจากการมีความอยากต่างๆ อยากได้ลาบรถสระเสริญอยากจะมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันจึงทำให้เราต้องมามีร่างกายกันแต่ถ้าเรามีความสุขทางใจความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิเราก็ไม่ต้องมีร่างกายแล้วถ้าเรามีปัญญาเห็นว่าการมีร่างกายหรือการมีอะไรนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจเราก็ตัดความอยากที่จะมีร่างกาย ตัดความอยากที่จะหาความสุขทางร่างกายไปก็จะไม่ต้องกลับมามีร่างกายไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่พระพุทธเจ้าพระอาหลานทั้งหลายเนี่ยท่านไม่ได้กลับมาเกิดใหม่แต่ท่านไม่ได้หายไปไหนท่านก็อยู่สวรรค์ชั้นสูงสุดที่เรียกว่าพระนิพพานเป็นสวรรค์ที่ไม่มีวันเสื่อมเหมือนกับสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรแต่สวรรค์พระชั้นพระนิพพานนี้ไปถึงแล้วไม่เสื่อม ก็จะอยู่ในสวรรค์นั่นไปตลอดไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พวกเราจะได้รับจากการที่เราได้มาฟังเทกฟังธรรมกันเราจะได้มีอะไรเปรียบเทียบระหว่างการกระทําที่เรากําลังทําอยู่ในปัจจุบันนี้กับการกระทําที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทํามา และส่งแนะนำให้เราก็ททำกันว่าอย่างไหนจะมีประโยชน์กว่ากันอย่างไหนจะดีกว่ากันเหมือนพระพุทธเจ้าเอารถอีกคันหนึ่งมาเปรียบเทียบกับรถที่เรากาลังมีอยู่นี้แล้วเราจะได้รู้ว่ารถที่เราใช้อยู่นี้มันดีหรือไม่ดีจะเกิดกับไม่เกิดอันไหนดีกว่ากันจะทุกข์หรือไม่ทุกข์อันไหนจะดีกว่ากันอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้า จะให้เราเปรียบเทียบถ้าไปในทางที่พระเจ้าทรงสั่งสอนทำบุญทาทานไม่ทำบาปรักษาศีลปฏิบัติธรรมนั่งนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็ใช้ปัญญาตัดกิเลสตันหาความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจก็จะไม่ต้องกลับมาทุกข์กับอะไรอีกต่อไปแต่ถ้าทำอย่างที่พวกเราทำอยู่ คือหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกริ้วกายด้วยการเสพอบายามุขต่างๆอันนี้มันก็จะทำให้เรากลับมาเกิดใหม่พอเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วเวลามาทาบุญทาบาปเวลาตายไปก็ต้องไปใช้บุญใช้บาปหมดบุญบาปแล้วก็กลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่กลับมาหาลาบยศสรรเสริญ ส, สุขใหม่เราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อย เราทำอย่างนี้มามากจนนับไม่ท้วนแล้วว่าเราทำมากี่ล้านชาติด้วยกันถ้าอยากจะรู้ว่ามากน้อยเพียงใดท่านให้เอาน้ําตาที่เราหลัง่งที่เราร้องไห้แต่ละพบแต่ละชาตินี้มารวบรวมไว้แล้วท่านบอกว่าน้ําตาที่เราหลั่งนี้ว่ารวมกันแล้วมันจะมากยิ่งกว่าน้ําในมาหาสมุทรซีคิดดูก็แล้วกันว่าจะต้องเกิดมาร้องไห้กี่ครั้งกันถึงจะได้น้ําตามากกว่าน้ําในมาหาสมุทร นั่นคือจำนวนภพชาติที่พวกเรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันแล้วก็จะทําอย่างนี้ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับคตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนําเอาไปปฏิบัติถ้าเราพบแล้วเรานํเอาไปปฏิบัติเราก็จะตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราทาบุญทาทานรักษาศีลได้ถ้าเราปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิได้จเจริญปัญญาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราได้เราก็จะสามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วเราก็จะมีแต่ความสุขตลอดเวลามร ม, มสุขนิพพานังปรามังสุขขงังพระนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งเือการไม่มาเกิดนี่เป็นความสุขอย่างยิ่ง เกิดจากการที่เราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นชาตินี้เราต้องถือว่าเป็นชาติที่ดีของพวกเราโชคดีของพวกเราที่เราได้มาเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้มีสิ่งที่เปรียบเทียบดูระหว่างการกระทาของเรากับการกระทาของพระพุทธเจ้าว่าอันไหนดีกว่ากันตอนนี้เรามีทางเลือกแล้วเราจะไปทางเดิมก็ได้ไม่มีใครบังคับ แต่ถ้าเราเบื่อกับการร้องโหยร้องไห้เบื่อกับการแก่เจ็บตายก็ลองมาทางพระพุทธเจ้าดูมีคนตามมาทางนี้แล้วแล้วก็ได้พบไม่ผิดหวังคือพระอานานตาสาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าท่านเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการที่หาราบยศสรรเสริญสุขมาสู่การหาการทาทานรักษาศีลภาวนาแทน แล้วท่านก็ได้ไปถึงพระนิพพานเช่นเดียวกับพระพุทธเจา้าก็เราต้องเป็นผู้ตัดสินใจเอาเองว่าเราอยากจะไปทางไหนพระพุทธศาสนาไม่บังคับใครเป็นเพียงแต่เหมือนกับคนขายรถยนต์ก็เอารถยนต์มาโชว์มามาอวดว่ารถยนต์ของฉันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ถ้าซื้อรถคันนี้แล้วจะปลอดภยัยจะไม่มีความทุกข์ไม่มีอุบัติเหตุ จะเอารถแบบไหนดีอารถที่มีอุบัติเหตุหรือรถที่ไม่มีอุบัติเหตุนี่คือเรื่องของการที่เราได้มาวัดกันในวันนี้เราได้มาฟังเทศฟังธรรมเราได้เรียนรู้วิถีชีวิตของพระพุทธเจ้ากับวิถีชีวิตของเราเราจะได้มาเปรียบเทียบกันดูว่าวิถีชีวิตอันไหนจะดีกว่ากันแล้วเราก็ต้องเป็นคนตัดสินใจเอาเองว่าเราจะเลือกไปทางไหน การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเทาง่านี้ขออนุโมทนาให้พรคาถามจากคุณยายปทุมมาดิฉันเคยไปวัดได้คำถามมาว่าทำสมาธิให้เห็นตัวเองคำว่าทำให้เห็นตัวเองคำนี้มันคืออะไรเห็นเป็นตัวตนหรือเปล่าดิฉันก็เอามาทำ การบ้านที่บ้านทามาดูหลายเดือนดิฉันก็รู้สึกว่าคำว่าทำให้เห็นตัวเองทำตามความเข้าใจของดิฉันคือที่ผ่านมาเราทำอะไรไว้บ้างทำถูกทำผิดทำพลาดอย่างไรแก้ไขได้หรือเปล่าแล้วเราควรจะทำอะไรบ้างจึงจะทำให้ชีวิตที่เราได้ได้มาแล้ว ทำให้เราสุดกายสุกใจพ้นจากความทุกข์อย่างนี้เรียกว่าทำสมาธิให้เห็นตัวเองได้หรือเปล่าคะกับฝากถามมาค่ะคือการเห็นตัวเองก็คือให้เห็นตัวรู้ mm hmm. เห็นตัวจิตตัวที่ทำกัดมีทำกระทำการต่างๆ ต, ตัวจิตนี้เป็นตัวที่ทำผิดทำถูกทาบุญทำบาปอันนี้คือการเห็นตัวตัวจริงของจริงคือดให้ ให้เห็นตัวรู้ให้รู้ให้เห็นว่าตัวนี้กับร่างกายเป็นคนละตัวกันให้เห็นว่าตัวนี้ไม่ตายไปกับร่างกายอันนี้คือการเห็นตัวตัวของเราส่วนการที่เรามาทบทวนดูว่าเราทำอะไรมาบ้างผิดถูกดีชั่วนั้นเป็นการดูการกระทําของเราซึ่งก็สำคัญเหมือนกันดูการกระทําว่า เราทำผิดทำถูกสิ่งไหนที่ผิดเราก็อย่าไปทำสิ่งไหนที่ถูกเราก็ทำเพิ่มขึ้นไปแล้วผลที่เสียหายก็จะไม่มีก็จะมีแต่ผลที่ดีอันนี้เรียกว่าการดูการกระทำแต่การดูตัวเราตัวจริงของเราตัวที่ไม่ตายนี่คือการดูดูตัวรู้ตัวรู้นี่จะเห็นได้ก็ต่อเมื่อตัวคิดมันหยุดคิด เหมือนจอทีวีเนี่ยถ้าเราเปิดเปิดมันเราจะมองไม่เห็นจอเราจะเห็นภาพในจอนถ้าเราอยากจะเห็นภาพในเราเราอยากจะเห็นตัวจอเราต้องปิดปิดปิดเครื่องพอไม่มีภาพบนจอเราก็จะได้เห็นว่าจอมันเป็นยังไงแต่ถ้าเราเปิดป๊อมันจะมีภาพขึ้นมาบนจอเราจะเห็นแต่ภาพเราอาจจะไปหลงคิดว่าภาพบนจอนี้เป็นจอไ ป, <team. S 1> ไปความคิดต่างๆที่เราคิดเนี่ยมันทาให้เราหลงคิดว่าเราเป็น ตามความที่เราคิดกันคิดว่าเราเป็นนายกคิดว่าเราเป็นผู้หญิงคิดว่าเราเป็นผู้ชายคิดว่าเราชื่อนั้นชื่อนี้อันนี้เป็นเรื่องของความคิดทั้งนั้นไม่ไม่ใช่ตัวจริงของเราตัวจริงของเราไม่มีชื่อไม่มีเสียงตัวนี้ตัวรู้เฉยๆหน้นจอทีวีไม่มีเสียงไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีรูปไม่มีภาพไม่มีสีตัวจอมันนี่จะเป็นจอสี เทาๆาเขียวเขียวหรือดำๆก็แล้วแต่จอสมัยนี้นั่นแหละคือตัวจอตัวใจของพวกเราก็คือตัวรู้จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อจิตรวมเป็นสมาธิแล้วความคิดปุงแต่งก็หายไปหมดก็จะเหลือสักแต่ว่ารู้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่คือตัวตัวที่ไปคิดตัวที่ไปทำอะไรต่างๆ ต, ตัวที่ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายคือตัวนี้ เราจะได้ไม่กลัวตายเราจะได้รู้ว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายหายไปตอนที่จิตรวมลงนี้ร่างกายหายไปจากจากตัวรู้แล้วหรือแต่ตัวรู้ตัวเดียวแต่พะออกจากสมาธิมาตัวรู้มันก็กลับมาเข้ามาในร่างกายมันก็เลยไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวรู้ไปงั้นถ้าอยากจะเห็นตัวรู้ตัวจริงของเรา ตัวที่ไม่ตายตับกับร่างกายก็ต้องนั่งสมาธิทําใจให้รวมเป็น อ, อัปปนาสมาธิพอใจรวมแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อใจนี้คือตัวรู้นี่เองรู้เฉยเฉยให้รู้เฉยเฉยต่อไปใจก็จะรู้เฉยเฉยใจก็จะปล่อยทุกอย่างที่คิดว่าเป็นใจปล่อยร่างกายปล่อยอะไรต่างๆเพราะมันไม่ได้เป็นใจมันเป็ น, ป น, ป น, ป น, ปนสมมุติมันเป็นของชั่วคราว ร่างกายนี้ก็เป็นของชั่วคราวชื่อก็เป็นชื่อชั่วคราวเรียรติยศตำแหน่งอะไรต่งตางๆก็เป็นชั่วคราวไปหมด<ล>ไม่มีอะไรที่แท้จริงของที่แท้จริงก็คือตัวรู้ตัวเดียวนี้ก็จะสักแต่ว่ารู้ <end. S 2> เห็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้รู้ว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับร่บางกายเกิดแล้วก็ดับราติยศสรเสร่ญสุขเกิดแล้วก็ดับถ้าไปยึดไปติดก็จะทุกข์ ถ้าไม่ยึดไม่ติดก็จะไม่ทุกข์ถ้ารู้เฉยๆก็ไม่ทุกข์ถ้ารู้แล้วติดอยากให้อยู่ไปนานๆก็จะทุกข์คนที่เห็นตัวรู้แล้วก็จะสักแต่ว่ารู้เพราะไม่อยากจะทุกข์กับเรื่องอะไรพออยากให้อะไรอยู่ปั๊บมันจะทุกข์ทันทีเพราะไม่มีอะไรจะอยู่ไปตลอดไม่ชช่ก็เร็วมันก็ต้องไปนี่คือการเข้าถึงตัวรู้ รู้ตัวนี้เราจะปล่อยทุกอย่างได้หมจะรักษาตัวนี้ตัวเดียววิธีรักษาตัวนี้ก็ให้รู้เฉยเฉยอย่าไปรู้ด้วยความอยากเพราะรู้ด้วยความอยากเราจะทุกข์ขึ้นมาให้รู้เฉยเฉยให้รู้ว่าความจริงของสิ่งต่า ง, างๆเป็นอย่างไรตอนนี้มันอยู่ก็ให้มันอยู่ไปถึงเวลามันจะไปก็ให้มันไปแต่อย่าไปอยากให้มันอยู่หรืออย่าไปอยากให้มันไปเอตอนนี้มันอยู่อยากให้มันไปก็จะทุกข์ เพราะมันไม่ไปเวลามันไปอยากใชให้มันอยู่ก็จะทุกข์เพราะมันจะไม่อยู่มันจะไปงั้นให้รู้ตามความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันมันมันอยู่มันไปมันเกิดมันดับมันจะเป็นยังไงก็ไม่เดือดร้อนพูดง่ายงๆถ้ารู้ความจริงแล้วที่เดือดร้อนเพราะไปอยากกับเขาเองอยากให้เขาไม่ดับอยากให้เขาอยู่ี่ก็เดือดร้อนขึ้นมา แต่ถ้าไม่มีความอยากให้เขาอยู่ไม่มีความอยากให้เขาไม่ดับมันก็จะไม่เดือดร้อนอะไรการฝึกเพื่อทำให้ใจเข้าถึงตัวรู้แล้วอยู่แบบตัวรู้อย่าไปอยู่แบบตัวตนถ้าอยู่แบบตัวตนก็เป็นเป็นเราของเราขึ้นมาถ้าอยู่แบบตัวรู้ก็รู้เฉยๆคำถามจากคุณนะัทถ้าทำกรรมชั่วแล้วต้องชดใช้กรรมนั้น การบรรลุธรรมก็ไม่อาจเป็นไปได้หรือไม่ได้ครับเพราะต้องใช้กรรมก่อนมนุษย์ทากรรมไว้มากแล้วใช้หมดคงอีกนานขอความชัดเจนในประเด็นนี้ครับออไม่มีไม่ไม่มีใครเขาว่าต้องใช้ก่อนใช้หลังแล้วแต่เวลาถึงเวลาจะใช้เมื่อไหร่ก็ค่อยใช้อย่างตอนนี้ยังไม่ตายก็ยังไม่ต้องใช้ตอนนี้ก็ยังมีเวลาปฏิบัติธรรม อย่างองคุลิมานไปฆ่าคนตั้ง9 9้าย้าคนก็ยังไม่ได้ไปใช้เพราะยังไม่ตายแล้วพอมาเจอพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติธรรมจนหลุดหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายก็เลยหลุดพ้นจากการไปใช้บาปเพราะเมื่อไม่เกิดมันก็ไม่ต้องไปเป็นอะไรต่างๆมันก็ไม่ต้องใช้กรรมนั้นมันควรละเรื่องกันการปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติไป การใช้กรรมก็ใช้ไปแล้วแต่เวลาของใครมาก่อนมาหลังถ้ากรรมมาก่อนอย่างองยังแต่พอใช้กรรมหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นพระปเจการพระพุทธเจ้าต่อไปทำถามจะคุณวีระพอนะครับเจอภาวะน้ําตาตกมือสัน่นใจสัน่นทางที่ดีต้องฝืนใช้สติประคองอาการหรือว่าควรทานน้ําหวานน้ําตาล แต่พอเกิดอาการนี้ทีไรสติหนูตามไม่ทนันคว้าน้ำตาลใส่ปากทุกทีถามว่าหากครั้งต่อไปเกิดอาการแบบนี้หนูคือควรฝืนไม่ทานน้ำหวานหรือน้ำตาลหรือใช้สติประคอมอาการคะคือมันต้องมีสติก่อนมันถึงจะไม่เกิดอาการเหล่านี้ถ้าปล่อยให้เกิดอาการเหล่านี้มาใช้สติมันไม่ทนันต้องเจริญสติอยู่เรื่อยเพื่อไม่ให้เกิดอาการเหล่านี้ เราปล่อยให้ใจมันคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆพอไปเจอเจอความอยากขึ้นมาก็หยุดมันไม่ได้เั้นต้องเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพุทโธพุทโธมันไปอย่างเดียวแล้วอาการต่างๆมันจะไม่เกิดมันต้องมาแก้เพราะถ้ามันเกิดแล้วมันแก้ไม่ทันสู้ไม่ไหวพออยากจะกินแล้วต่อให้ช้างมาลากไว้ก็ไม่อยู่ใช่มมันถึงอ้วนกันอย แต่ถ้ามีสติมันหยุดไว้หยุดไว้ก่อนที่มันอยากต้องหยุดก่อนที่มันอยากแล้วมันก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหานี่มาหยุดตอนที่มันอยากแล้วไม่มีทางหรอกะต้องติดต้องเบรกมันไว้ก่อนตื่นขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปเลยส่วนความอยากในอดีตมันผ่านไปแล้วช่างหัวมันแต่ความอยากใหม่นี้เราจะทำให้มันไม่เกิดได้ถ้าเรามีสติถ้าเราพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆมันไม่เกิดเริ่มราวต่างๆ ปัญหาก็คือมันชอบไปคิดคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วก็อยากกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็น้ําตาตกในก็ปล่อยให้มันคิดมันก็เป็นอย่างนี้เถถ้าไม่ให้คิดมันจะไม่มีหรอกถ้ามันอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปมันก็จะว่างเยน็นสบายเนี่ยปฏิบัติไม่เป็นแล้วก็คิดว่าปฏิบตัติปฏิบัติมันตือนขึ้มามันต้องพุโทโธแล้วล่ะทําอะไรก็พุโทโธไปและอาบน้ําล้างหน้าล้างตาแปรงฟันหวีผ้าหวีผมก็ต้องพุทโธไป น, นเดี๋ยวมันไปคิดถึงขนมนมเนยเข้ามากงกาแฟมาไปแล้วสิคำถามข้อที่สองเมื่อเช้าหนูเกือบเหยียบงูตอนแรกตกใจสะดุ้งกลัวแต่พอมีสติก็รู้ว่าเพราะเราปล่อยใจเผลอทำให้เดินไม่ระวังทั้งที่เมื่อวานสติดีพุโทโธติดกับใจพอจะไหลก็ไปกับความคิดก็ดึงกลับมาพุโทโธ ต่อได้ทำให้เดินจงกรมต่อเนื่องได้ 3-4 ชั่วโมงไม่รู้สึกเหนื่อยแต่พอรู้ว่าแต่พอรู้ว่าดีก็ปล่อยใจเผลอไปถามว่าอาการตกใจกลัวงูนี้มาจากการที่เรากลัวตายใช่ไหมคะ <c oughs> เคยสังเกตว่าช่วงที่มีสติดีเวลาเจออะไรที่เรากลัวจะนิ่งและไม่มีอาการตกใจ ก็มันเกิดทั้งการมันไม่มีสติมันไม่มีสติมันก็ตกใจถ้ามีสติมันก็ไม่ตกใจคำถามจากคุณพัคพรจากการฝึก ส, สติด้วยการท่องพุทโธในใจแพ้กิเลสมาหลายวันเผลอคิดบ่อยวันนี้ไม่เผลอความคิดมันดันออกมาเหมือนอกจะแตก ต, ต้องท่องทีทีไม่ให้มีช่องว่างได้เลยใช่ไหมครับ <c oughs> ถ้าหนักหน้าหรือปวดหัวนี่เพ่งหรือเก่งมากไปใช่ไหมเจ้าคะ่ะขอคําแนะนำเอ อ, อก็เวลาต่อสู้กับกิเลสมันก็แบบนี้แหละมันจะรู้สึกเกง่งรู้สึกปวดด้านปวดนี่ก็ไม่ต้องไปสนใจให้คิดว่าเป็ น, เ ป, นเป็นมายามาหลอกเรามันไม่ได้ปวดจริงมันเกิดจากการต่อสู้กันเหมือนเวลาเราชักกระเยาะกันเนี่ยมันจะ รู้สึกว่ามันตึงเครียดกันเข้าก็ดึงเราก็ดึงมันก็เลยตึงเครียดแต่พอายได้ไฟหนึ่งปล่อยปั๊บนี่มันจะหายตึงเลยถ้าเราพูดโทรพูดโทรไปจนกิเลสมันยอมแพ้มันหยุดคิดปั๊บนี่มันความตึงเครียดความปวดความอะไรต่างๆมันจะหายไปหมดนะงั้นอย่าไปกลัวให้ความเจ็บความปวดเหล่านี้มันไม่มีผลกระทบต่อร่างกายมันเป็นมายามาหลอกใจเหมือนกับควันน่ยมันไม่มีสาระไม่มีตัวตนอะไร ขอให้เราพูดโทรสู้กับมันไปอย่างเดียวอย่าปล่อยให้มันคิดอย่าให้มันคิดให้ได้แล้วเดี๋ยวมันมันหยุดคิดแป๊บๆที่มันก็จะเบามันจะสบายคําถามจากคุณเจทําธุรกิจสินค้าเงินผ่อนแล้วเราคิดค่าทํางานค่าดอกเบี้ยกับคุณลูกค้าตามที่เราได้ตกลงกันไว้เราจะบาปไหมคะไม่บาปหรอกถ้าเรามีข้อตกลงกันเข้ารู้ว่าก็ต้องจ่ายเท่านั้นเท่านี้ ไม่ใช่ว่าตกลงแบบนี้แล้วก็ไปเพิ่มทีหลังโดยที่เขาไม่รู้อย่างนี้ถึงจะบาปเหมือนกับเป็นการช่อโกงกันแต่ถ้าก่อนที่จะซื้อขายกันก็ได้มีการทําความเข้าใจว่าจะต้องจ่ายเท่าไร่เท่านั้นเท่านี้แล้วเขายินดีที่จะจ่ายก็ถือว่าเป็นการทําการค้าที่สุดจริญไม่ได้เป็นการลักทรัพย์แต่ถามว่า จะเป็นความเมตตาหรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเอากำไรมากหรือกำไรน้อยถ้าเอากำไรมากๆดอกสูงสูงดอกเยอะๆอันนี้มันก็ความเมตตก็น้อยอ่ามีความเมตตก็อาจจะเอาพอหอมปากหอมพอพอกินพออยู่ได้ไม่หวังร่าหวังรวยอันนี้เ็าเรียกว่าการแผ่เมตตาแบบเนี่ยไม่ได้ไปนั่งสวดสัพเพสัตตาเวลานั่งสมาธิเสร็จแล้วพอไปขายของก็คิดราคาแพงๆเนี่ย อันนั้นไม่ได้แผ่เมตตาเข า, า น, นีต้องแผตอนที่เราไปขายของ เ, อเห็นคนจนมาบางทีสงสารเอาไปเลยไม่ต้องเอาตังก็ได้สงสารเข า, เ อ, าอย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตาคําถามข้อต่อไปจะคุณจักรกิจนะครับผมเกิดเห็นอดีตชาติแล้วเอาอดีตชาติมาพิจารณาเรื่องความทุกข์บ่อยๆว่าเราต้องทนเกิดต้องทุกข์เพราะเกิดจะเหมาะสมไหม หรือจะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังและถ้าการพิจารณาอดีตใช้ได้จะทําให้เราหมกมุ่นกับเรื่องในอดีตแทนไหมครับก็แล้วแต่เราเเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะมาคิดให้เป็นประโยชน์ก็ได้คิดมาให้เป็นโทษก็ได้แล้วแต่ว่าเราคิดไปในทางไหนถ้าคิดไปในทางเหตุผลมันก็เป็นประโยชน์เช่นเห็นว่าเราเกิดแก่เจ็บตายมาไม่รู้กี่ล้านชาติแล้ว เราน่าจะหยุดได้แล้วถ้าคิดแบบนี้มันก็เป็นประโยชน์นแต่ถ้าไปคิดแล้วก็อยากจะกลับไปเป็นคนนั้นคนนี้เคยอดีตชาติเคยเป็นเศรษฐีก็อยากจะกลับไปเกิดเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ถ้าคิดไปด้วยความอยากมันก็เป็นโทษเพราะมันนมันมันคิดได้ทางปัญญานี่มันต้องคิดทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตมันถึงจะเห็นภาพอย่างชัดเจนเช่นดูร่างกายของเราเราก็ต้องดูตั้งแต่ตอนที่มันเกิดมาใช่ไหม ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วพอออกข้อออกมามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใช่ไหมอ่ามันไม่เที่ยงใช่ไหมอ่ามันเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็โตโตแล้วเดี๋ยวมันก็แก่แก่แล้วเดี๋ยวมันก็เจ็บเจ็บแล้วเดี๋ยวมันก็ตายอันนี้ก็มองไปถึงอนาคตเลยอนาคตก็ตายถ้าจะถ้าจะพิจารณาทางปัญญามันต้องมองทั้งทั้งสมตอนมองทั้งอดีตมองทั้งปัจจุบันมองทั้งอนาคต มันจะได้เห็นภาพชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆเช่นไ ด, ได้สมบัติมาแล้วก็ดูในอดีตว่าได้สมบัติมาพ่อแม่ทิ้งสมบัติไว้ให้ตอนนี้เราก็มาใช้มันไปเรื่อยๆเดี๋ยวเวลาเราตายเราก็ทิ้งมันให้คนอื่นต่อไปอันนี้ก็เป็นการมองให้เห็นสภาพของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่าง ให้พิจารณาถ้าพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลก็เรียกว่าปัญญาถ้าพิจารณาด้วยความอยากก็เป็นกิเลสพิจารณาว่าไม่อยากแก่เลยไม่อยากเจ็บเลยไม่อยากตายเลยอย่างเงี้ยถ้าพิจารณาอย่างนี้มันก็จะทุกข์คำถามจากโยมโจ้มีวิธีลดความอยากได้ยังไงครับก็มีหลายวิธีก็ทาตามที่พระเจ้าสอน3าขั้นตอน การตอนแรกก็ทำบุญเอาเงินที่จะไปซื้อของต่างๆต่างความอยากเอาไปทำบุญแทนต้องฝืนความอยากเช่นของไม่จาเป็นที่เราจะต้องซื้อก็อย่าไปซื้อเอาเงินที่จะไปซื้อนี่ไปทำบุญเช่นอยากจะไปเที่ยวก็เอาเงินไปเที่ยวนี่มาทำบุญอยากจะซื้อของที่เราไม่จำเป็นจะต้องซื้อก็เอาไปทำบุญอันนี้ก็จะเป็นการกำจัดความอยากต่างๆ แล้วก็รักษาศีลก็จะทําให้เราหยุดความอยากที่จะทําบาปได้อยากจะฆ่าอยากจะรักทรัพย์อยากจะดื่มสุราอยากจะประพฤติผิดเราก็ถือศีลพอถือศีลก็ทําไม่ได้มันก็ฝืนความอยากได้เมื่อเรามานั่งสมาธิมันก็จะหยุดความอยากได้เต็มร้อยนั่งสมาธิจิตสงบมันก็อยากไม่ได้คิดอะไรไม่ได้แต่พอออกจากสมาธิมาพอมันคิดไปในทางความอยากก็ใช้ปัญญาบอกว่า อย่าไปทําตามความอยากทําแล้วไม่มีวันจบได้เท่าไรไม่มีวันพอเราเวลาเสียสิ่งที่ได้ไปก็จะเสียใจทุกใจ mm hmm. อันนี้มันก็จะทําให้หยุดความอยากได้อย่างถาวร mm hmm. เนี่ยสวิธีสิ่งที่พระเจ้าสอนให้ปฏิบัติสขั้นตอนนี้เป็นขั้นเป็นการหยุดความอยากทั้งนั้นนะทำบุญทําทานก็เพื่อให้เราหยุดใช้เงินตามความอยากต่างๆใช้ตามความจําเป็นได้ เช่นอาหารไม่มีไปซื้ออาหารมากินได้เสื้อผ้าไม่มีซื้อมาใส่ได้ของจําเป็นต่อการดํารงชีพนี้ซื้อมาได้ไม่เป็นความอยากแต่ถ้ามีพอแล้วยังอยากจะซื้อเสื้อผ้าอันนี้เป็นความอยากมีรองเท้าคู่เดียวก็พอแล้วแต่เห็นรองเท้าใหม่ก็อยากจะซื้ออีกอย่างนี้อันนี้ก็เป็นความอยากเพราะเท้าเราก็มีแค่คู่เดียวทําไมรองเท้าต้องมีสิบคู่เวลาใส่มันใส่10บคู่ใส่คู่เดียว มันก็ใส่คู่เดียวก็ใช้มันไปจงกว่ามันจะพังเลยพังแล้วก็ให้เปลี่ยนกู้ใหม่ไปก่อนเรามันวิเศษวิโสที่รองเท้าเรยเห็นไหมใช้ปัญญาคิดสัหน่อยเลยมันจะได้หยุดความอยากได้คำถามจากคุณชัดพิมลรูปภาวนาพองยุบพอเริ่มนั่งมันรู้สึกเหมือนตกวูจากที่สูงทำให้กลัวและถอนภาวนาออกมาเกิดจากอะไรเจ้าคะ ก็เกิดจากการไม่รู้ว่ากำลังจิตกำลังจะสงบมันกำลังจะได้เข้าได้เข้าเข็เขนก็ไปดึงมันออกมาปล่อยให้มันวูบลงไปแล้วมันจะนิ่งแล้วมันจะสบายมันจะมีความสุขไม่ต้องกลัวมันเหมือนกับตกลงมาแล้วมีเบาหนาๆรองรับอยู่ไม่กระแทกกับพื้นกระแทกกับเบาสบายนุ่มเวลาจิตรวมลมมันนักจะเป็นเหมือนกับตกลุมตกบบาตกจากที่สูง เรอย่าไปดึงมันไว้อย่าไปถอนออกมาปล่อยมันดูเฉยเฉยดูมันตกลงไปปล่อยมันตกลงไปคําถามจากคุณกหนกพรการที่ลูกทําบุญซื้อข้าวของมาให้พ่อแม่ใส่บาตรพระแล้วพ่อแม่ไม่ได้ออกเงินซื้อของแต่เป็นลูกซื้อมาให้พ่อแม่ร่วมบุญนั้นท่านจะได้รับผลบุญที่ทํำไหมคะไม่ได้หรอกเพราะ บุญนี้ต้องเกิดจากการมีเจตนามีความตั้งใจว่าอยากจะทำบุญแล้วก็ต้องเป็นเงินของตนเองไปซื้อของต่างๆมาทำถึงจะได้บุญแต่ถ้าลูกทำแล้วมาบอกพ่อหรือให้พ่อทำแล้วพ่อทำก็พ่อก็จะได้อนุโมทนาบุญได้บุญที่เกิดจากการร่วมยินดีกับการทำบุญของผู้แต่ตอนเองจะไม่ได้บุญจากการให้ให้ของนั้น ถ้าอยากจะได้ต้องเป็นของของตนเช่นถ้าลูกให้ของมาแล้วแล้วลูกไม่ได้พูดอะไรพิมพ์แต่ว่าให้พ่อไว้แล้วพ่ออยากจะไปใช้อะไรก็แล้วแต่พ่อเองถ้าพ่ออยากจะไปทําบุญพ่อก็จะได้บุญคาถามจากคุณกนกพรคนถือศีลแปดวันพัะหลังเที่ยงจะไม่ทานข้าวแต่มีธุระแล้วเลยเวลาหลังบ่ายโมงยังจะทานข้าวต่อได้ไหมคะเป็นบางครั้งเท่านั้นค่ะ ถ้าทานทานหนุนถ้าทานถ้าทานเพราะว่าทานไม่ทันก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ทานเพราะว่าทานไปแล้วหุนหนึ่งเราอยากจะมาทานต่ออีกทีคือทานเพื่อให้ร่างกายมันมีอาหารหล่อเลี้ยงพอให้อยู่ได้ถ้าสายหน่อยเชน่นทํางานมันเลิกตอนเที่ยงวันเนี่ยจะกินก่อนเที่ยงก็ไม่ได้ต้องรอให้พักเที่ยงก่อนแล้วค่อยกินอันนี้ก็ไม่เป็นนัดเป็นปัญหาอะไร เป้าหมายของการให้กินอาหารไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ให้กินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพื่อไม่ให้กินตามความอยากให้กินตามความจําเป็นให้เหมือนกับกินยาเวลากินยานี่เราไม่ได้กินด้วยความอยากใช่ไหมพอถึงเวลาเราก็กินอาหารก็ควรจะเป็นยากินแบบยาควรจะกินก่อนก่อนเที่ยงวันถ้าเป็นไปได้สมัยก่อนเราไม่ได้ทํางานกับบริษัทเราทํางานที่บ้านเป็นชาวนาชาวไร่ แล้วก็อนแล้วส่วนใหญ่คนที่ถือศีล8ปดเาจะไม่ทำงานกันเขาจะหยุดงานกันไปอยู่วัดกันเขาก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องเวลาแต่ถ้าเราเป็นคนสมัยใหม่เราทำงานแต่เราอยากจะรักษาศีลแปดทุกวันก็ไม่เป็นไรช้าชั่วโมงหนึ่งก็ไม่เปปัญหาอะไรช้ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงก็สำคัญก็คืออย่าให้มันกินมากจนเกินไปอย่าให้กินด้วยความอยาก คำถามจากคุณกุ้งหนูอยากถามเรื่องการปฏิบัติต่อพ่อแม่แต่ปัจจุบันแม่เสียชีวิตไปแล้วหนูต้องทำอย่างไรกับพ่อแต่อยู่ไกลกันมากช่วยแนะนำด้วยเจ้าค่ะก็พยายามดูแลพ่อแม่ดูแลพ่อถ้าพ่อเดือยร้อนก็ต้องช่วยเหลือพ่ออย่างใดอย่างหนึง่งถ้าไปเองไม่ได้ก็ส่งเงินไปแม่ที่ตายไปแล้วก็ยังดูแลยังช่วยได้ทาบุญอุทิศไปให้แม่ เผื่อแม่เดือดร้อนแม่ไม่มีบุญก็จะได้รับบุญที่เราส่งไปได้นหรือถ้าเราติดต่อกับแม่ได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าก็เอาธรรมะไปฝากแม่ก็ได้พระพุทธเจ้าติดต่อกับแม่เอาธรรมะไปสอนจนแม่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้คําถามจากคุณทิพวรรณ จิตที่ออกจากร่างกายเมื่อเราตายไปแล้วตัวจิตเองสามารถที่จะมีความรู้สึกร้อนหนาวเจ็บปวดหรือสุขทุกข์ด้วยตัวจิตเองหรือไม่คะได้ก็ เ, เหมือนตอนนี้เรานอนหลับเวลาเราฝันนี่เรารู้สึกไหมฝันดีนี่ฝันว่าไปเที่ยวไปกินไปดื่มนี่อิ่ ม, มอร่อยหมยสุขไหมั้ทงทั้งที่ไม่ได้ใช้ร่างกายกินเลยใช่ไหมใช้แต่ใจของเราเนี่ยนะเวลาฝันร้ายเป็นไงโดนก็ทิ่มขาแทงนี่ปวดหม เจ็บไหมนั่นแหะมันอยู่ที่ใจความเจ็บความสุขความทุกข์ทางน่างกายมันนิดเดียวเจ็บอยู่ส่วนใหญ่สุขส่วนใหญ่อยู่ที่ใจที่ไปไปผลิตมันขึ้นมาเองคําถามจากคุณเมทินีบุคคลที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อความหลุดพ้นบุคคลนั้นสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองหรือไม่ว่า ตอนนี้จิตที่ฝึกมาได้ก้าวข้ามถึงพระโสดาบันหรือไม่อย่างไรเจ้าคะรู้เสียไม่รู้เราจะปฏิบัติได้ยังไงคำถามจากคุณดอฟฟิน mm hmm. เวลาไปทำบุญให้บอกบุญผู้อื่นจะได้มีบริวารจริงไหมคะก็มีส่วนถ้าเราชวนคนนั้นคนนี้เข้าไปกับเราเราก็จะมีบริวารถ้าเราทำคนเดียวไม่ชวนใครเราก็จะไม่มีใครไปกับเรา คำถามจากพระพิสุสงฆ์นะครับจากพระสันติธรรมโมนะครับกิเลสอย่างละเอียดอย่างกลางอย่างหยาบมีลักษณะอย่างไรครับขอความเมตตามันก็เหมือนกันนั่นแหะมันก็โลภโกรธลงเหมือนกันนะครับแต่แต่ว่ามันหยาบก็คือมันเห็นชัดถ้ามันละเอียดนี่มันมองไม่ค่อยเห็นบางทีไม่รู้มันเป็นกิเลสเพราะมันละเอียดมาก นั้นจะเห็นเนกิเลสที่ละเอียดนี้ปัญญาต้องละเอียดปัญญาต้องแหลมคมปัญญาหยาบก็จะแก้กิเลสหยาบปัญญาขนาดกลางก็จะแค่กิเลสขนาดกลางปัญญาขนาดาละเอียดก็จะแก้กิเลสที่ละเอียดนะคําถามจากคุณ17เมษายนเวลาหนูเริ่มไหวสวดมนต์หนูจะรู้สึกง่วงนอนมากแต่พอสวดมนต์เสร็จ หนูก็จะหายจากความง่วงนอนทันทีหนูพยายามมีสติแต่หนูก็สงสัยว่ามันเกี่ยวกับมารหรือไม่คะนั่นแหะเป็นเรื่องของกิเลสพอให้ดูทีวีนี้หายง่วงเลยคาถามจากคุณหนิงถ้าเราแจ้งความเอาผิดกับผู้ที่ชอบโกงเราซึ่งตามกฎหมายเราสามารถเอาผิดได้อันนี้เราจะเป็นบาปไหมคะเป็น กงกรรมกงเวียนใหม่คะหรือเราควรปล่อยตามเวีนกรรมคะก็มันก็นเป็นเวีนได้ถ้าเราไปทําให้เขาโกรธเราเกลียดเราเขาก็จะโกรธเกลียดเราถ้าเราให้อภัยเขาได้เขาก็จะไม่โกรธไม่เกลียดเราเฉนั hmm. ้นถ้าอยากจะมีความเมตตาก็ต้องให้อภัยไม่จองเวีนกัน mm hmm. คิดเสียว่าเป็นการใช้หนี้เก่าไปก็แล้วกัน เราอาจจะติดหนีเข้ามาแล้วตอนนี้เข้ามาถวงหนี้เราถ้าเราไปฟ้องร้องกันขึ้นลงขึ้นศาลกันก็จะทำให้โกรธเกลียดกันแล้วเขาก็อาจจะตอบโต้เราหาเรื่องฟ้องกลับก็ได้ฟ้องกันไปฟ้องกันมาวุ่นวายกันไปเปล่าๆก็ตางที่ดีที่สุดก็อะไรเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปมันก็ผ่านไปแล้วมันก็เปดึงมันกลับมาไม่ได้ คำถามจากคุณพัชรานะครับปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอนค่ะพิจารณาวางกายตอนนี้คันหัวจะหลดเท้าสาเหตุแพ้ยาภูมิที่ทานคันก็พุธโธไปพี่มองว่าหากรักษาไม่ได้เราก็ทิ้งกายนี้ไปถึงจถึงแม้จะยื้อรักษาไปยามันตีกันสารพัดคงเป็นตามวิบากกรรมขอพระอาจารย์เมตตา นั่นแหละดีแล้วแหะปล่อยมันไปเถอะมันจะไปแค่มันไปถ้ายิ่งรักษาแล้วยิ่งยิ่งยิ่งเกิดความเสียหายมากขึ้นรักษาไปทำไมปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันดีไม่ดีมันอาจจะหายก็ได้ที่มันเป็นอาจจะเป็นเพราะยาที่เรารักษากันก็ได้พอเริ่มรักษามันรักษาใจให้สงบนีเดี๋ยวร่างกายมันก็กลับเป็นปกติของมันเองได้คําถามจากคุณมงคล การใช้เงินหนึ่งอบาทซื้อปลาไปปล่อยหากซื้อปลาตัวใหญ่ปล่อยได้สองตัวหากซื้อปลาตัวเล็กจะปล่อยได้ห้าตัวหรือซื้อปลาที่ตั้งท้องอ่อนๆจะได้ช่วยหลายชีวิตควรพิจารณาอย่างไรในการทำทานครับได้ทั้งนั้นเน่แล้วแต่เราจ ะ, จะทำแบบไหนก็ทำไปแต่บุญก็เท่ากันนะถ้าร้อยบาทมันก็เท่ากัน <c oughs> เราก็ได้บุญแค่ร้อยบาท จากจากพี่พัชราท่านเดิม น, นะครับอ่าพี่เขาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นมะเร็ง น, นะครับอคุณหมอหนักใจมากหยุดยาก็ไม่ได้ครับถามเสริมมาก็เราเป็นคนไข้เราไม่กินยาทุกอย่างหมอจะมาบังคับเรากินได้หมอไม่ได้เป็นคนกินเนี่ยเราเป็นคนกินเราจะกินไม่กินมันอยู่ที่เราเราจะยอมรักเรจะรักษาหรือไม่รักษามปนเรื่องของเรา ตอนนี้หมดแล้วคะหมดแล้วใช่อ่าว่ามาอาจารย์ครับก็มีที่ตั้งสมาธิแล้ะก่อนที่จะพิจารณาใจรักต่อจิตต้องรวมนะครับลักษณะของอาการจิตรวมเป็นลักษณะอย่างไรคือการปฏิบัติสมาธิกับปัญญานี่มันเป็นสองภาควิชาอะไรนะตอนนี้เรายังไม่มีสมาธินี่ถึงแม้เราจะพิจารณาทางปัญญามันก็ไม่มีประโยชน์เพราะเราไม่มีกําลังที่จะไปใช้ปัญญาฆ่ากิเลสได้ เอาเ น, นี้เราก็รู้ว่าความอยากไม่ดีแต่เราไม่มีกําลังหยุดมันใช่ไหมนั้นเราต้องสร้างกําลังหยุดมันก่อนอกําลังที่จะหยุดความอยากได้ก็คือสมาธิถ้าเรายังไม่มีกําลังก็เราก็ต้องออกกําลังกายเหมือนนักมวยเนี่ยก่อนที่จะไปชกขึ้นเวทีได้ก็ต้องออกกําลังก่อนเมื่อมีกําลังแล้วก็มาศึกษาวิธีชกว่าชกยังไงต่อยยังไงถึงจะได้ทําให้คู่ต่อสู้ออ ตายได้แพ้ได้มันมีสองขั้นตอนไงงั้นขั้นตอนแรกนี่ท่านบอกให้สร้างกำลังขึ้นมาก่อนออกกาลังก่อนยกน้ำหนักวิ่งก่อนให้ร่างกายมันมีกำลังแล้วค่อยมาหัดต่อยโชยกกระสอบโชกับคู่ซ้อมอีกทีมันเป็นสองภาคงั้นถ้าเรายังไม่มีสมาธิเรื่องปัญญานี่อย่าไปกังวลกับมันพิจารณาไปก็ได้แต่มันไม่ได้จะไม่ได้เป็นเป็นกรอบเป็นกรรมจะไม่ได้เป็นประโยชน์ จะเอามาใช้ในการหยุดความอยากไม่ได้เรารู้ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราหยุดมันได้ัหยหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ั้ยเพราะเราไม่มีกำลังหยุดแต่ถ้าเรานั่งสมาธิหยุดใจได้เราก็จะหยุดความอยากได้แล้วเราก็จะหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เพราะปัญญาจะบอกว่ามันเป็นโทษเป็นทุกข์ถ้าไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันจะทุกข์ ถ้าแต่ถ้าไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะไม่ทุกข์มันจะเฉยเฉยตอนนี้ใจเราเฉยเฉยไม่เป็นไงเราก็ต้องมานั่งสมาธิเพื่อให้มันเฉยเฉยให้เป็นก่อนพอมันเฉยเป็นแล้วเทนี้ปัญญาบอกให้เฉยมันก็จะได้เฉยได้แล้วลักษณะของสมาธิที่รวมแล้วครับอาจารย์มันมันมันคือลักษณยังไงก็เฉยไงพิจารณาตัวรู้ที่จาบอกเขารู้รู้แล้วก็รู้อันนี้พิจารณาไม่ได้เวลามันจะมันจะเห็นเอง พอจิตรวมแล้วมันจะเน่งสงบแล้วมันก็จะเห็นตัวรู้ตัวคิดจะหายไปอันนี้มันเกิดจากการที่เรามีสติ ด, ดูลรวมหายใจหรือพุทโธไปอย่างเพียงอย่างเดียวจนกว่ามันจะสงบแล้วมันก็จะเห็นอันนี้เป็นปรากฏการ์มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะมานั่งมานั่งอ่อิมเมจินมานั่งคิดได้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คนละเรื่องกันสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่มันปรากฏมันคนละเรื่องกัน เรามันมานั่งคิดไม่ได้สมาธินี้คิดไม่ได้สมาธิต้องหยุดคิดใช้พุโทโธหยุดมาแล้วพอจิตมันหยุดคิดมันก็จะสงบแล้วก็จะเห็นตัวรู้แล้วมันจะมีกําลังหยุดความอยากได้พอมีกําลังแล้วทีนี้ก็มาพิจารณาทางปัญญาว่าความแก่ความความทุกข์ที่เกิดจากแก่เจ็บตายนี่มันเกิดจากอะไรกันนะเกิดจากความแก่เจ็บตายหรือว่าเกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้ต้องใช้ปัญญาแยกแยะ ปัญญาก็จะบอกว่ามันเกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายงั้นก็หยุดความอยากเสียท่านมีสมาธิก็จะหยุดได้ใจมันเป็นสองภาควิชาภาคแรกต้องสร้างสร้างการหยุดให้ได้ก่อนต้องหยุดใจให้ได้ก่อนพอหยุดได้แล้วขั้นต่อไปก็จะใช้ปัญญาสอนว่าจะหยุดตัวไหนตัวไหนไม่หยุดว่าความอยากมันมีทั้งความอยากที่ดีกับความอยากที่ไม่ดี ความอยากทำบุญก็อยากไปหยุดมันความอยากจะรักษาศีลความอยากจะไปอยู่วัดไปบวชนี่ไม่ต้องไปหยุดมันเพราะมันเป็นความอยากที่ดีความอยากที่ไม่ดีก็คือความอยากร่ำอยากรวยอยากอยู่ไปนานๆอย่างนี้ไม่ดีเพราะมันเป็นไปไม่ได้มันจะทำให้เราทุกข์อันนี้ต้องใช้ปัญญาถึงจะรู้อาจาร ย, ย์อะไร<ป>อย่าง และการตามรู้กายรู้ใจระหว่างวันนะครับมันช่วยส่งเสริมเนี่ยอันนี้เป็นการจเจริญสติไงไม่ให้เราไปคิดเรื่องราวต่างๆให้ดูกายซึ่งกําลังน้างหน้าแปลงฟันก็ให้อยู่กับการล้างหน้าแปลงฟันไม่ใช่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ขณะที่เรากํลาลังลั่งหน้าแปลงฟันใจจะได้หยุดคิดเนี่ยการฝึกนี้เพื่อไม่ให้คิดฟุง้งซ่านไม่ให้คิดไปกับเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่ในปัจจุบัน แล้วเวลานั่งสมาธิมันจะได้ไม่คิดแล้วมันจะได้สงบได้มีมาเข้ามายังเข้ามาว่ามาอีกสิบนาทีอา้าใครอยากจะส่งก็ส่งเข้ามานะคำถามจากคุณอนงขอแนวทางปฏิบัติเพื่อดับอวิชชาในชีวิตประจำวันของคารวาท์ค่ะ <Quantum> ก็อย่างที่สอนเนี่ยมันก็ต้องทำหลายๆอย่างรวมกัน ทำทานอย่างหนึ่งก็หยุ ด, ยดอวิชชาได้แทนที่เอาเงินไปซื้อขนมนมเนยมากินมาเป็นโทษกับร่างกายก็ไปทําบุญหรือซื้อขนมนมเนยไปแจกเด็กแทนอย่าเอามากินเองร่างกายมันพอแล้วไม่ต้องให้มันกินแล้ว mm hmm. หรือว่าเอาเงินไปทําบุญไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากอันนี้ก็เป็นการแก้อวิชชาแก้ความหลงความอยากเพราะอ ว, วิชชาทําให้เกิดความอยากขึ้นมา พอไปคิดว่าการทำตามความอยากก็จะมีความสุขเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกอันนี้นเป็นความหลงเป็นอวิชชาความจริงแล้วมันทำตามความอยากแล้วมันเป็นความทุกข์ยังก็เลยให้ทำทานให้รักษาศีลให้เจริญสตินั่งสมาธิอันนี้เป็นการกระทาเพื่อแก้วิชาแก้ความอยากต่างๆอวิชชาความอยากนี่มันเป็นพ่อเป็นกรอบลูกกันเนี่ยอวิชชาเป็นพ่อทาให้เกิดความอยากขึ้นมา ความหลงทำให้เราอยากพราะคิดว่าอยากราจะมีความสุขแต่ความจริงมันอยากแล้วมันทุกข์แต่เรามองไม่เห็นกันถ้าเราหยุดอยากได้เราก็จะไม่ทุกข์แล้วก็จะหายหลงหมดแล้วใช่ไ่มหมดแล้วก็ดีจได้พักว่างใส่ถ้าไรักอะไรอย่างนี้ลัจิตอิสระนะเป็นยังไงฮะจิตที่อิสระ จิตก็ไม่มีกิเลสไงิตอิสระตอนนี้จิตมันเป็นทาสของความอยาก น, นะมันสั่งให้เราไปกินขนมก็ต้องไปแล้วนะสั่งให้ไปหาแฟนก็ต้องไปแนะสั่งให้เราไปเอานน่นเอานี่เราเป็นทาสมันอยู่ตลอดเวลาเลยนะที่เราไม่รู้สึกตัวพอไม่มีความอยากแล้วเราก็อยู่เฉยๆสบายไม่ต้องไปไหนมาไหนตอนนี้เราเป็นคนใช่ไหมความอยากมันใช้เราแหลกนะเราไม่รู้สึกตัวแล้ว ถ้านั่งเวลาทำสมาธิครับมันจำเป็นไหมครับก็ต้องนั่ง oses, e, e, e, e, ขาขาขาซ้ายขาคุ้นั่ง aki, ห้ e, e, e. อยขานั่งพับเท้าหรือ <notre Swift> ว่าเวลาตีกอล์ฟเขาก็มีวิธีตีไม่ใช่เหรอการนั่งสมาธิเขก็มีวิธีถ้าอยากจะนั่งให้มันดีให้ได้ผลมากได้ประโยชน์มากก็ต้องนั่งแบบที่เขานั่งกัน kap. ขวาทับซ้ายขัดสมาตั้งตัวให้ตรองอันนี้ท่าที่ดีที่สุดทุกอย่างมันมีท่าที่ดีและไม่ดี ถ้าเราอยากจะได้นักท่าที่ดีนะฮะ น, กกนี่เด็กคนนี้โชเลยนะนแต่ทำไมเด็กมันนั่งได้ผู้ใหญ่ยผู้ใหญ่ตัวก็นั่งกันั่งไม่ได้ที่เลสของเรามันอยากจะสบายมันไม่อยากจะนั่งใหม่ๆมันอาจจะรู้สึกอึอดอัดมันไม่เคยนั่งแต่นั่งไปนานๆแล้วมันถ้านั่งอย่างนี้มันสบายมันมันจะบาลานซ์มันจะไม่ล้มไปทางนู้นทางนี้นั่งได้นานบางที พวกที่เขานั่งนานๆหรือสีนี่เขานั่งเป็นวันนี้ท่านั่งนี้ดีที่สุดมีีคำถามนะครับมาเลนอ่านเฟซบุ๊กของพระอาจารย์ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเกี่ยวกับกิจของสงสมัยที่วัดป่าบ้านป่านะครับ ก็คือพาะที่ฉันเช้าเนี่ยดวงตาจะเคร่งมากว่าจะต้องทํากิจกรรมร่วมกับพระรูปอื่น mm hmm. เช่นกวาดวัดหรืออะไรอย่างนี้ครับอันนี้จุดประสงค์คือเพื่อเป็นการจเจริญสติหรือมีอะไรมากกว่านั้นมันมีหลายอย่างมหนึ่งมันต้องมันเป็หน้าที่วัดวาก็ต้องสะอาดเรียบร้อยทุกคนก็ต้องร่วมมือกันช่วยกันแล้วขณะที่ทําก็ให้มีสติอยู่การกระทำํำแต่เป้าหมายของการทํางานก็เพื่อให้วัดวาสะอาดเรียบร้อยจะทําทเท่าที่จําเป็น ไหนไม่จำเป็นก็ไม่ให้ทำบุญแล้วใช่ไหมมีข้าก็มาอ่านหน่อยยังนหลือยหมถามจากคุณหนูเคยได้ยินว่าไม่จำเป็นว่าทำบุญมากได้มากทำน้อยได้น้อยเพราะบางคนทำมากได้น้อยบางคนทำน้อยได้มากจริงหรือไม่อย่างไรคะไม่จริงหรอททำมากก็ต้องได้มากเลยกินมากมันก็น้าหนักมากกินน้อยน้าหนักมันก็น้อย มันเรื่องของเหตุผลอยู่แล้ว อ, อีกค ำ, คำถามนึงนะคะได้ถามค่ะคำถามจากคุณอเล็กการที่เรารวบรวมเงินบริจาคเพื่อนําไปซื้อของมาบริจาคแต่เราไปซื้อของโดยใช้บัตรเครดิตโดยไม่ได้เอาเงินนั้นซื้อส่วนบุญจะได้หมดทุกคนไหมครับและจะถือว่าเราเอาเงินบริจาคหรือไม่ครับก็เป็นความรับผิดชอบของเราแล้วแหละถ้าเราเอาใช้บัตรเครดิตนี บาปหรือไม่บาปก็อยู่ที่คุณนั่นแหละถ้าคุณเบี้ยวคุณไม่ยอมจ่ายคุณก็ต้องรับผลบาปไปเขาก็จะตามลงโทษคุณอ่ะเพราะคุณไม่ได้จ่ายค่าบัตรใช่ไหมอันนี้ก็แต่เรื่องของบุญนี้เขาได้กันแล้วเพราะของที่ซื้อมาก็ซื้อมาแล้วเอาไปถวายพระแล้วไปทําประโยชน์แล้วอันนี้ก็เรื่องของบุญก็จบแล้วแต่เรื่องของคนซื้อเนี่ยจะจบไม่จบก็อยู่ที่ว่า เอาเงินที่ซื้อนี่ไปทําอย่างอื่นหรือเปล่าถ้าไปทําอย่างอื่นก็กลายเป็นเปรตไปแทนที่จะเป็นเทพก็กลายเป็นเปรตไปเหมือนในสมัยพุทธกาลที่มีพระเจ้าแผ่นดินอยู่รูปหนึ่งท่านมากราบทูลว่ากลางคืนไม่รู้มีเสียงอะไรมาร้องดังลั่นในวังพระเจ้าก็บอกว่ามันเป็นอมตะในชาติก่อนๆแล้วท่านเคยใช้มันไปซื้อข้าวซื้อของไปทําบุญ แล้วมันก็ยกักยอกเงินทําบุญไว้พอมันตายไปมันก็เลยต้องมาเกิดเป็นเป็ดแล้วมันก็เลยมาขอขอขอความช่วยเหลือมาส่งเสียงดังพระเจ้า ก, ก็บอกว่าให้ทําบุญอุที่ให้มันไปหมดแล้วใช่ไหมมีไหมมีครับไม่เอาเอาอีกางนี้ครัะเจ้ถ้ามันหน้าถามมาถามมนาะนัก น, นัอ่าจากคุณเคชองนะครับนั่งสมาธิใช้คําบริกา ร, รพุโทโธพุธโทโธ จนรู้สึกว่าสงบโยมจะหยุดคําบริกรัมพุธโธหรือเอาจิตไปจับที่สมาธิอย่างเดียวคะ อ, อ๋ถ้ายังไม่รวมยังไม่ตกวูบลงไปยังไม่นิ่งก็พุธโธได้ก็พุธโธต่อไปพุธโธไปเรื่อยๆอย่าไปหยุดนึงจนกว่ามันจะวูบตกหลุมตกบอ่อไปแล้วก็นิ่งสงบถ้าใช้พุธโธนะถ้าดูลมก็ดูไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะวูบลงไปง่ายมากหมดแล้วใช่ไหม